ันหัวโกกี <c oughs> ว่าจะแกยงไมีไหมครัเจอไหมฮะใหญ่เป็นเล็กเยด่ถามอาจารย์ถามเลยไหครับม่ีเลยคุณหามอีเยเลยจา ก็เลยนะะคอสที่มีคอสปฏิบัต์นะฮะคนที่เข้ามาเนี่ยนะเข้าใจเพราะว่าป็นทงเกตถึงลักเป็ความประเภใช่เราจอคอปฏิบัติก็เลยลบฉาก็ไม่หมดอันนี้ไอ้คปฏิบัตินะคะที่มีแล้วเนี่ยคอสปฏิบัติมันก็งปฏิบัติเขาจะจ่าเขาเจปัญหาอะไรภาษาขจะนจริงแล้วหลายคนคงนิสิตจคที่ก็จะฟังจะฟังจะสบายก่อนมได้เี่ยปฏิบัติมันจะรูว่า หาหาหา น, น, นีก็ผขอคำถามคนที่มารแรกนีน่ฮะคนนี้มีเือนไหมฮะคนที่มาไม่รู้จากเลยมาเนข้างแรกนฮะาม่มีเอยู่ฮ ะ, ะ, ะมไ ม, ม่ขอถามให้ดิาคุยกันได้ปะแต่หมงยังไงเวานีคนที่เหกับ ยังไม่เคยปฏิบัติใลยไม่เคยมาเลยประมาณไนาอยู่ทีสก่คุยนะฮะคุยได้ดีนฮะ้ความรู้สึกไงค่ะพมาปฏิบัติครั้งแรกค่ะก็เลย ก็รู้สึ ก, กแปลกที่ได้มีการลดลดแขนลดอะไรนะคะแต่รื่องทำาล้วก็ยังนุ่มค่ะไม่ใช่วะแปลงได้ยังไงคะก็ในทางการปฏิบัติน้อยคิดว่าในรูปทางในในรุกวิธิการเรื่องเรื่องความร้อนก็คจะเป็นเรื่องที่ เหมือนกัผู้ผู้ปฏิบัติคต้องเจริญมันมีแต่าคล้ายๆ่าอย่างก็เหมือนชีวิตประจำวันทงวันนะเราก็มีว่วงทั้งวันบ้างนะมีไม่ว่วงไต่บ้างอย่างเงี้ยเราก็อยนถึงเวลาที่คนร่วงก็ไม่ว่วงถึงเวลาที่ไม่คน่วงก็ว่วงอย่างเงี้ยเราก็อีไม่ใช่ไม่ดีนะแนี้คือเราให้เราได้ดูอาคมียัาก็ดึนย ค้ายๆว่าการเป็นบัตรเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจะได้เริ่มเห็นความจริงนได้เริ่มเห็นความจริงของของตัวเราของกายก็ดีของใจงก็ดีอย่างเงี้ยคือมันมีสิ่งที่ชีวิตเราเนี่ยดาเนินมาโดยที่เราไม่รู้ความจริงก็เยอะนาก็าอาจจะเราไม่รู้ความจริงก็ต้อเรียกว่าเยอะมากๆเลย นี่ว่าพอเราประวัติศาตร์โเนี่ยสิ่งทีンン่เราเริ่มต้นที่คือการที่กลับมาดูดูความเป็นแปลงของร่างกายเราของจิตใจเราฐานการเคลื่อนไหวนะเราบอกว่าเรามีการเคลื่อนไหวเราสร้างทำเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้คอยคอยไว้กัน เมื่อการเคลื่อนไหวเนี่ยให้ใจมันคอยรับรู้ใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกบอกว่าการเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยจะช่วยให้หเราเรียกว่าทุกน้อยหนนะจะช่วยให้ทุกน้อยหน่อเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเราที่ผ่านมาเราก็มีผล น, นอของการเคลื่อนไหวมันเราทํากับข้าเราก็ได้อาหารกินเราเขียนหนังสือเราก็ได้งานอย่างนี้นะนั่นคือทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยจะมีผลมากกว่าควา อันนี้ว่าตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่เราเคยมีก็มีแต่ผลลัพธ์ใหม่ที่จะออกมาก็คือความไม่ทุกข์ทาใจนะที่จะออกมาเพราะด้วยคือตรงนี้มากเราจะเกิดลักษณะของความไม่ทุกข์ทาใจเกิดผลของความไม่ทุกข์ทางใจเนะี่ยได้ยังไก็มันก็จะมาจากการที่เมื่อเราเริ่มดูการที่เคลื่อนไหมเนะี่ยเริ่มเห็นใจที่ชิดกเนีนะ่ยตรงเนี้เราก็จะเริ่มเห็นเนาะ เป็นลักษณะของการที่มันแยกออกมาจากลักษณะของใจเมื่อก่อนกายกับใจอะไรเงี้ยมันจะมีความปะันกันมีความปะปนกันะที่เช่นเราเคยหิวนะเราก็ว่าหิวจะตายอยู่แล้วเคยม่วงก็ว่าม่วงจะตายอยู่แล้วอย่างนี้นะนคือตรงเนี้ยพอเราพูดปุ๊บเนี่ยเราก็แยกไม่ได้ออกนะเรื่องความร่วมไปเรื่องของกาย ค ว, วามจะตายอยู่แล้วเป็นเรื่องของใจความผิวเป็นเรื่องของการความจะตายอยู่แล้วเป็นเรื่องของจักรของของใจคือพอเราแยกได้อยู่นี้ปุ๊บเนี่ยความผิวก็เราก็จะจัดการเรื่องความผิวเรื่องจะตายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ตัวเองมันไม่ต่างแบบจะเป็นอะไรอย่างนี้คือพอเราเริ่มพอเราเริ่มที่จะแยกแยกแยกควาจริงออกมาองนี้เลยมันจะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆตรงกับความเป็จริงความมั่งก็เหมือนกันอย่างนี้นะทุกวันนี้ ความวุ่นเนี้ยเราก็เลงเกลียดเนาะความวุ่นเนี้ยเราก็ไปหากันใช่ไหมฮะอย่างนี้อย่เวลานอนไม่หลับเราก็อยากไม่วุ่นอย่างเวลาที่เราไม่อยากหลับเราก็เลยเกลียดอย่งนะคือตัวเราเองกับความวุ่นหนึ่งอันเยใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็เกลียดเขดียก็ชอบเขาอย่างนี้ยใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็อยากเจอเขาเดี๋ยวก็ไม่อยากเจอเขาอย่างเคือเรื่องแบบเนี้ยเราเคยได้ลองสังเกตความเปลยนปของใจเราเนี่ยใจเราแปลกแปกเนาะ สมัยหรือก็ชอบหรือไ่ทางอย่างเงี้ยซึ่งอะย่างเี้อันนี้มันเป็นเรื่อ ง, เ, ง เ, อเรื่อย่างเงนั่นก็คือเมื่อความโนเกิดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เราเองเราก็เหมือนกับรู้จักเขาสักหน่อยนะฮะอย่างยรู้จักคือทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็จะมีการเริ่มต้นนะใช่ไหมครัมีการเริ่มต้นมีการคงอยู่แล้วก็มีการดับไปอยงเงี้ยตรงนี้นมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับ เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้คำนะเช่นเรียนรู้ครับการที่เราเหมือนกับรีบปฏิเสธนะฮะรีบปฏิเสธสิ่งในสิ่งหนึ่งบางรายละเอียดสิ่งนั้นอาจจะไม่ทันตัวเหยือนะมือนอาสมัยนี้ก็เราง่วงเราก็อาจจะหาต้นดื่มมาแก้ความง่วงใช่ไหมนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเองเราก็หาทางก็เรียกว่ า, าเรียกปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นนะ เพราะนั้นสภาพความที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ผ่านเกิดแล้วก็ผ่านเกิดแล้วก็ผ่านตลอดไปลาเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้เราจะไม่เคยรู้รู้ความจริงเราไม่เคยรู้ความจริงนั่นคือเรานะเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยได้อย่ังไงมีความเหนืเกิดขึ้นมีความม่วงเกิดขึ้นมีอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นเราก็จะมีวิธีการจัดการกับเขาอย่างถูกต้องอย่างความม่วง อย่างเมื่อตอนที่พบหลวงพ่อเสียนครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อเขียนเนี่ยถามว่าเคยนอนตคืนไหมนะคือนอนคืนเนี่ยหมายความว่านอนเต้มคืนแล้วตื่นมาแล้วรู้สึกอิ่มไม่พอเจอเป็หาอย่างนี้อิ่มไม่พออิ่มไม่พอเพอะไรเพราะว่าเราตื่นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะขอนอนอีกสักนิดอีกสักห้านาทีสิบนาทีหรืออะไรต่างๆนานา ก็ให้มันได้อีนะ้านาทีสิบนาทีนั่นงแต่อีกหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมันไม่ดีนะเนี่ยหลวงพ่เคิดจะงไม่หยุดนเรียกมานอนตีสี่หลวงพ่อก็บอกว่าเน้่ยเราเคยตั้งใจที่จะนอนั้มหรือว่าเราเนี่ยเวลานอนเราก็อ่านหนังสือแล้วก็หลับไปไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะหรือว่าเนี่ยการหลับไปไม่รู้ตัวการหลับไปแบบไม่รู้ว่าหลับไปมื่หรตรงนี้เราต้องเป็นเป็นเป็นการติดตาถ้าเป็นเป็นองนะก็หมายความว่า เราเริ่มต <rire> <the> hey, hey, ้นหลักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะพอเวลาตื่นมาก็อิ่ไม่อิ่มใช่ไหมครับเราก็มองเองเอาว่าไม่อิ่แต่ท่านนั้นอะไรเนี้ยนอนไม่อิ่มนั้นคือสมองเริ่มตนเป็นสิ่งที่เหมือนกันให้เราได้ให้เราได้เห็นแบบได้หลองดูว่าเออถ้าเกิดว่าวันนี้นั่งกลับไปเราลองตั้งใจใช่ไหมครัตั้งใจหลับดูถ้ตั้งใจหลับดูแล้วเราก็แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องจบเรื่องราวต่างๆนานาชิดนะตั้งใจหลับไปนะ วันน้เอาวันนี้เราก็ได้ทาความเปลี่ยนมาเป็นที่แล้วเราได้พยายามเป็นพี่แล้วนะเวลานีนนน่เป็นเวลาพักขอพักให้เป็ น, น, นี่ต่อเราผ่อนงานที่ตื่นนะคือถ้าตื่นมาเนะาะก็กวดฉี่กลางคืนหรือยัอไอยงไงก็ตามเนี่ยเาก็ฉี่เสร็จแล้วก็รีบกลับไาหับอย่าหารเรื่องทุกทเฉี่เนี่ยได้นะเราก็จ่ได้หลับได้เต็มอิ่นะเวลาปรหลับได้เต็มอิ่มเราตื่นขึ้นมาเนาะแล้วพ่อเสียงก็บอกว่า กางวันนะความร่ว ง, องที่เกิดขึ้นกางวันอะไรกันที่เราอินกลางวันนี้นะนะไม่จริงจีไม่ใช่ของจริง <c oughs> ไม่ใช่ความร่วงจริงจริงการานจะเกิดความก็มเรียกว่าเกิดเหตุนะเกิดเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับใช่ไหมคนระัเหมือนกับเหงาหลับเหมือนกับอะไรอย่างนีนห้หลับนะการเป็นหลับทำก็าอาจจะมีส่วนที่เราใช่ไหมครับพาที่เราเคลื่อนไหวไปมาเคลื่อนไหวไปมา การที่เราบหดใจนะตามมือไปมาไวไปไกวมาไกวไปก็มาเหมือนกับเด็กไกเต๋นใช่ไหมครับความวุ่นก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนั่นคือตรงนี้นะครับก็เด็ของความวุ่นเนี่ยมันก็มีใช่ไหมครับนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราก็แก้ไขแก้ไขที่เด็กนอนที่อีกนซะนะครับนั้นคือเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเวลาที่เราสื่นแตงงานไม่ควรนะนั้นคือถ้าเกิดถ้าเกิดมีความวุ่นเกิดขึ้นเนาะ เราก็ดันั้นเราก็อาจจะอย่างที่บ้านเราแก้ไขอยู่รู้สึกเรารู้สึกได้ไหมว่าตอนนี่เรากำลังจะ่วงนะถ้าเรารู้สึกได้ว่าเรากำลังจะง่วงนะอย่างที่การปฏิบัติก็จะบอกว่าให้เราก็ปรับเปลี่ยนมีรบอาจจะหยับเนื้อหยับตัวสักหน่อยนะคะอย่างนี้อาจจะแบบรอบกลับหน้าท่าทางสักหน่อยอาจจะปรับอการเคลื่อนเคลื่อนไหวให้กระชับขึ้นตรงนี้นะครับพอ มีต้นเหตุเกิดขึ้นเราแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าความง่วงมันก็จะไม่ดุลย์นะเห็นไหมนั่นนั่นคือตรงนี้นะฮะให้เราได้ลองสังเกตการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระับใจของเขาแล้วเราก็ลองจัดการโดยให้ถูกต้องนะฮะคือเราอย่าเพิ่งไปชอบอย่าเพิ่งไปชังนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ยให้เราได้เรียนรู้ว่าเขาเกิดขึ้นอย่างไรเราก็จะได้แก้ไนถูกต้องนะฮะเราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาถูกต้อง ไม่ว่าอะไรยาก็ตามที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยพอเราเริ่มทำการสมาธิเนี่ยให้เราได้รู้เลยว่าเราจะเริ่มรับรู้เรื่องราวต่างๆของการใจเร า, า ม, มากขึ้นมากขึ้นนั่นนั่นคือตรงนีเพียงแค่วันหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆหลายอย่งางผ่านการก็เรียกว่าผ่านการนั่งสร้างจิตวิบากก็ดีอะไรก็ดีมีใครแบนี้ไม่มเนื่อยตรงมัน มีไหมไม่มีทุกคนก็เมื่อยนาะอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นก็คือมันเป็นเรื่องของร่างกายที่ต้องให้ยอย่างอย่างเงี้ยเป็นนี้ว่าพอเราเมื่อเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเพราะาจารู้ตต้อบอกว่าให้เราลองดูก่อนเนาะใช่ไะมเดี๋ยวเพิ่มเราลองดูขีดความสาารของร่างกายเราดูที่มันจะอดทนได้แค่ไหนอย่างเงี้ยนะถอไหมฮะเราลองหลวงพ่อเฉียงจะบอกว่าลองเขาเรียกว่าต่อรองก่อน เดี re hmm. Hmm. Right now, right ๋เพ like ิ่มลุกได้ไมหรือไม่เนียเป็นไงฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนจะว่าลองลองดูซิว่าความเมื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าถึงที่สุดนั้วนี่ยังถึงเราควรจะหลับเปลี่ยนอิริยาบถแล้วนี่ยังหรือว่ามันเป็นการที่ใจเราเบื่อไม่อยากนั่งแล้วอยากลุกอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องของการกันหรือมันเป็นเรื่องของใจกันเนี่ยนั่นก็คือตรงนี้นว่าสิ่งที่เราพบควบ การการที่เรานั่งปฏิบัติธรรมกันผ่านที่เรานั่งดูการเคลื่อนไหวนั่งดูว่าให้เราเช่นนี้มีใจคิดนึกไหมเหอพิชิตต้องไหมเราเวลาที่เหอพิชิตเรากลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไหมตรงการที่เราหัดดูนะมันจะเป็นการที่เหมนแต่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรผ่านการหัดแบบนี้เมื่อก่อนเราอาจจะไม่เคยหยุดใจเราเลยนะถ้าเป็นยังไงจะไม่แต่ว่าตอนนี้เมื่อเราเริ่ม เริ่มหัดปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็ น, หนว่จใจเราเดี๋ยวมันก็ุ่งสร้างนะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ลอยไปไม่รูล้ลอยไปไหนนะนั่นคือตรงนี้คือสิ่งที่การปฏิบัติธรรมในลักษณะ น, นี้ในลักษณะที่อาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะจะทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของกายของ ใ, ใจเรามากขึข้นครับอาจารย์ครับ วันนี้ไม่ีามขอถามอะไรทางทางน่อยได้คนนีรองปฏิบัติไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเราสร้างเงื่อนหอกเรื่องขอการเป็นาเป็นจริงนะครับจะทายังไงให้น้องใจกลับมาให้มีทุกสุขภูมิกับการเคลื่อนไหวครัมีวิธียังไงจะช่วยมาได้ได้ีขครับคือวิธีนี้เปนวิธีที่ช่วยแก้ไขการใจลอยโดยตรง เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ใช่ไม่เคยนะซีเมนที่ทําไปแล้วใจก็ลอยไปแล้วเราก็ทําไปตามความเคยชินเคยเมื่อก่อนที่เคยมียุ่ที่ไม่บ้านถักโตชงเนาะก็ถักไปคุยเป็นไปมือก็ถักไปปากก็คุยเป็นไปอันนั้นนะเราก็เห็นนะว่ามือก็ทําอย่างหนึ่งใจก็ทำอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างนี้หรือเวลาที่เราเองกินข้าวไปตาก็มีทีวีไปหรืออะไรต่างๆานอยเี้เราก็เคยเจออย่างนี้ตลอดเวลา แต่ฟังไปเพ่ค็คิดเรื่องราวไปไม่เคยไกลอยู่เป็นนัน้นเลยนั่นคือนี่คือชีวิตเรตาเป็นอย่าง้อยู่าะฉะวันนั้นคือการที่ในขณะที่เรากำลังเหมือนกับว่าหัดสร้างประมาธอาจจะมีความตั้งใจเนาะอาจจะสนใจอาจจะตั้งใจดูว่าเอ๊ะทำยัไอยงไอยู่บ้างแต่พอเวลาเราทําได้แล้วใจก็ลอยไปอีกแล้วเพราะฉะ้ันนั้นคือตรงนี้ถึงได้บอกบอกว่าในขณะที่เราปฏิบัติทำเนี่ยจะบอกว่าเมื่อใครเคลื่อนไหม่เนี่ยให้เอาใจมาคอยรับรู้นะถูกไหมครับ อันนี้ติดการหักเนาะเจอนะฮะเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเราเผลอไปคิดให้กลับมารู้จักเคลื่อนไหวให ม, หม่นี่ติดการที่หักไม่ให้ใจเนี่ยรอยไปเมื่อก่อนเราจะไม่เคยรู้ตัวเองนะเมื่อใจเรานอยไปบางทีเผลอไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะถึงได้ดีถึงได้รู้หรือว่าไม่งั้นก็ต้องใครมันสกบอกให้ใจลอยนานแล้วนะเพราะนั้นเป็นติตรงเยอะมากอาการที่ว่าเนี่ยคืออาการใจรอยเนาใจรอไปเมื่อรอยไป ใจเราก็อาจจะมีทิดนี้บางทีก็นู้เร่องางคนรู้เรื่องมากเพราะนั้การการที่เราเมื่อใจเคลื่อนไหวเอาใจลงไปเราดูเมื่อใจเคื่อนไหวเอาใจลคือเราฉะนั้นคือเมื่อมีการเคลื่นไหวเนี่ยเราหักไปบางใจเนี่ยเขาจะเหมือนับมีโปรแกรมว่ามันน well. ี well. ่มาอยู <Oy>. ่กับการที่เคลื่อนไหวของร่างกายใจจะมีโปรแกรมเองนั่นนัคือตรงนี้ว่าดีนอนเราก็ไม่ต้องคอยระวังเพราะว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวใจก็จะคอยอยู่ด้วยกัน ใจกับกายก็จะอยู่ด้วยกันการทําอะไรใจก็จะทำด้วยเวลาเวลาเราเผิดใจลอยไปนคะครับถ้าเรามีสติรู้ทันว่าเราใจลอยไปเรื่องไหนเรื่องนี้นนเวลามันกลับมาเนี่ยทางที่ถูกต้องคนจะกลับมา ท, าทันทีหรือว่า ค, คือผมจะมีปัญหาว่าพอพอเรารู้ว่าเราใจลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ยมันจะเกิด คุกับติดตัวเองคนเรียกว่าผนะ้าครับแล้วแบบเอ้ยตายละเรื่องนี้เรากลับมานะอย่างนี้ครับอันนี้มันกปกติไหมครับหรือว่ามันควรทั้งถูกต้องมันควรไปทำมาโดยที่ไม่ต้องไปพูดกับตัวเองนะครับจะแก้ไขอะไรตืในไา้ปฏิบัติแล้วการปฏิบัติก็คือเมื่อรู้คิดกลับมาเลยไม่ต้องไปห า, ายอะไรเเมื่อรู้คิดกลับมาเลยไม่ต้องห า, ายอะไรหัดแบบนี้นะันคื อ, อไม่ต้องไปตามเอ่เมื่อกี้คิดด้วยนะครับ คือทั้งเมื่อกี้เอ๊ะม่อกี้คิดองไรหนูว่าคุณเฉลยใช้คำมามีคิดซ้อมคิดหนูว่าคุณเฉลยจะมีความทันสมัยนะหนว่าเฉลยบอกดับเบิ้ลคิดใช่ไหมฮะเมื่อเรื่องตืนแบบนี้เราไม่เราไม่คิดซ้อมคิดนะรู้ม่คิดกลังอะไรไม่ปช่ไรใช่ไหมฮะคือทางเราเนะี่ยบอกว่าเมื่อสติรู้ว่าจิตมันเอยไปคิดอนะ่ะอันนั้นสติทา ม, มาแล้วเราได้เจอลยสติด้วยตเราไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าผิด นะฮไม่ต้องคิดบ้าเลยทั้งหมดเลยแต่วราสติกิแล้วสติใด้ทางานนะเพราะนั้นคือตรงนี้รการที่รู้ว่าแบบว่าใจลอยไปเอาพอเลยไม่ไปหาอะไรแิดแรงชั่นซี่ลองหักแบบเนี้ยหัเพื่อที่ว่าเราจะได้รักผานได้เลยหัเพื่อที่จะรักผานได้เลยไม่ให้การที่เราไปถามเองว่ามันคิดอะไรนะอะไรเนี้ยเราก็ต้องเป็นคนหานะใช่ไมครัมันมันเป็นตมธรรนะครับ่ต้องท้าม้เรื่องเป็นไรคือ นี่ให้เรารู้ว่านี่คือการักและมันมีความเคยชินเก่าๆของเรานั่นาการละความเคยชินเก่าๆของเรานะใช่ไหมมันฟิก็ะละยากน ะ, ะกคือเมื่อพอมันเคยชินมันตั้งนานแสนนานคนระับนั่นคือการหักนะเราอยู่ทุ่งฝังของเดิรแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือนะนั่งันนี้เราเริ่มตั้งมันามปนะุบเนี่ยเราจะเริ่มละละความคิดได้ก็น่นจะมีสักคั้งสองครั้งที่เรารู้ปุ๊นั่นเราต้องกลับไปเลย แต่ก็าอาจจะมีอีกหลายครั้งที่เราก็มีความรู้สึกว่าเราคิดค้นหาแล้วเราคิดอะไรเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นเราอย่าเพิ่มไปหนักใจเพระาะว่าคือกรรมฐานเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อเรามีหลักการที่ไม่ยุ่งยากนะใช่ไหมเนอาศัยตายที่เพิ่มใหม่เอาใจมันคอรับรู้อย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้นมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่เรารู้สึกได้นะว่าตอนนี้เนี่ยใจเนี่ยมารับรู้การเพื่มใหม่อของหลักการเร า, า, เ ร, ารู้สึกได้นะ เรารู้สึกไนว่าตนี้จเผยไคิดนี้เรารู้สึกได้นะเพราะฉะนั้นรู้สึอานี้รู้ว่าเผยไคิดกลับมาอรู้วเผยไคิดกับมากร้องหัดอยู่นะการหัดขึ้นนี้เองเนยจะมีผลไม่เเนะครัที่กลับมาูตัวเอกากลับมาจกลับมารู้กับการเคลื่อนหวของร่งเพราะว่าเราจะเอาเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวตัวเนีเป็นเป็นหลักเพราะว่าหลังกันานีาย ถ้าหากว่าจิตมีความขึ้นเกิดกับการเคลื่อนหหวเนี่ยกิตจะกับมาและจิตจะไม่ลอยเปแล้ถูกไหมครับาว่าอย่างสมุทตระว่าในการปฏิบัติธรรมเนาะการยกมือครั้งหนึ่งการหยุดครั้งหนึ่งการเคลื่อนคหนึ่งมันจะมีสมุทตรว่ามีสมงหวะหนึ่งวินาทีเนาะเป็นไงในวินาทีเนายถ้าเราเผยสายครั้งนี้เน่ยหรืออีกหนึ่งวินาทีข้นงหน้าก็มีการเคลื่อนไหวนองรัดอีกแล้วถ้าเราโปแกัมจิตของเราบ่อยๆเนาะใช่ไหมครับมีการเคลื่อนไหวเนาะ ให้ใจ่ tem tem saúde, as, ันคอรับู้นเม่อมีการเคลื่อนไหให้ใจมันคอรู้ดยวๆเนี่ยจิตไเองก็จโปรแกรมจนจิตไม้จะตัดมนะแล้วตอนเวลาเค้นไหครับอาจายับเวลาเราเพื่อนไเยอะนี่ยบางทีเราไปรู้สึกของเราเองอย่างคนอาจจะนักหนึ่งสองสามบคนจจะไปพิรุธโยกไหอะไรอย่างเนี่ยที่ในใจ ผมม่ใจรู้สึกว่ามันเป็นต้อตือตึ้อตาเง้ครับมันมันก็คงว่ารอแทแที่จะไปรู้ตัวกันขึ่นใหม่เรากลับไปกันนะจังหวะเราอย่างเงี้มิดแ่อนคือจริงๆนะคือเรื่องที่จะเป็นคือว่ามันเป็นไมื่องเป็นๆางเ้นได้บ้างอ่ะชีวิตเรา่างเวลาเราเปลี่ยน่ไหมฮเปจิเก็คซใหมคือตรงนี้นเราเองนมันมีจิตอย่ง มันก็ทําแบบนี้มานานนะมันอาจจะมีเรื่องงานบางคนก็อาจจะแดนปันไปก็มีเพลงสัเพลงที่มันคลออยู่ได้แต่ต้นจนจบนะมันก็อาจจะหมุนซ้ำไปซ้ำมาอยู่ตรงนั้นไม่ได้เกิดเพลงใหม่ยเงยใช่ไหมมันก็มันเหมือนกันเพราะนั้นคือตรงนี้เราอ่ะเชื่อเพื่อไปสนใจตรบนี้เรากลับมารู้สึกก่อนเรากลับมารู้สึกก่อนอย่างเี้ตรงนั้นไม่เกิดอะไรใช่ไหไม่เกิดนะฮะตรงนั้คือ ดีแล้วที่เรารู้ว่าเป็นเรื่องที่เราเคยทำเป็นความจำของเรานีแต่ว่านั่นคือตรงนี้เรากําลังทําเรื่องใหม่อยู่ใช่ไหมเรากําลังทําเรื่องใหม่อยู่แบบว่าใจเย็นๆเป็นเรื่องแต่ยังไคอยกลับมาสึกคอยกับมาสึกคอยกับรู้สึกคือเราจะพบว่าวันหนึงเนี่ยเราแย่งเวลาของตามใจเราไปได้เยอะมากเการที่เราจะบริการเราจะเราจะนัดซ้ายนัดขวาเราจะอะไรยังไงก็ตามเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของใช่ไหม เป็นเรื่องที่จิตเคยมีทั้งหมดเลยแต่ตรงนี huh. ้มันเป็นเรื่องที่เรากำลังทำเรื่องใหม่แต่ตรงนี้เรากำลังทำเรื่องใหม่ว่าเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มไปคิดอีกเพิ่มแต่ละแต่ตามตามมากร์มกร์นะฮะหลับตาผมเห็นว่าท้านทาปรญญาทําแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยตามหลักการเนี่ยเราจะมีสมาธิอยู่กับการปฏิบัติหรือการทำเป็นจะสลากเอาสลากมา ตรงนี้เป็นเรื่องของการเรียนรูป็นความสามารถของจิตนีคือการที่เราบอกเนาะเรบอกว่าให้เรารู้เป็นครังครามีการเคลื่อนขั้นหน่งมีการหยุดข้นมีการรู้อีกทรั้งครารู้อีกครางคตรงเนี้การที่เรารู้เป็นครังครรู้เป็นครงคเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นจิตเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อแบบไปเกิดขึ้นเมื่อแบบไปคือใน ในชีวิตของเรายมันไม่มีจิตไหนนะที่มันยืดตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่มันจะมีเขาเรียกว่าจิตที่เกิดความชอบนะแล้วมันกระดับไปเดี๋ยวก็มีจิตที่เกิดความชังแล้วมันกระดับไปคือเรื่องทื่นี้มันจะทำให้มันเป็นความจริงว่าให้ความชอบก็มีเดี๋ยวมันก็หายไปไม่มีน้องเราเดี๋ยวก็เกิดความชังขึ้นมาแล้วความชังก็หาายไปแต่ไม่มีน้องเราเดี๋ยวก็เกิดความเบื่อขึ้นมาความเบื่อก็หาายไปแต่ไม่มีน้องเราแบเนี้คือเวลาที่เรา เย็นเนีน้องที chỉ, ta, ta, ่เหมนว่าเรานี่ยคอยคอยรู้สึกเป็นข้างครั้งคอยรู้สึกเป็นข้างๆ้งถึงเรื่องของว่าเวลาที่เรารู้สึกเนี่ยอย่างแบบว่าการปฏิบัติเนยอย่างอย่างเชื่อมแบบนี้มับแบให้เรารู้แล้วก็วังจะรู้แล้วก็วังนั้งนั่งก็วางคพราะนั่นัก็วังนั้แล้วก็วังเราจะเห็นนานๆถ้าเราเจอเห็นจิตที่มันเขาเรียกว่าเกิดดับเกิดดับพอเห็จิตที่เกิดดับเกิดดับนี่ตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ มันทําให้เราแบบว่าไม่ก็เรียกว่าเห็นความจริงเนะเมื่อเราเห็นเราก็ไม่ไม่ก็เรียกว่าไม่เปคยไม่เคยถือถแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือเมื่อก่อนเนี่ยไว่ลาดพอเราโกรนเนาะใช่ไหมฮะมันก็เหมือนความโกรนนั่นะมันก็จะติดใช่ไหมฮะแบบติดไม่ตาเลยไม่หายไปเลยนะจริงจริงเดี๋ยวเมื่อทีเราก็โกรนบางทีมันมุมที่เหนเออเขาก็หนีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยอะไรนะแต่พอความโกรนขึ้นมา มันก็เราก็จัดเข้ามาเป็นตัวเป็นตนใหม่อีกทีนั่นคือตรง น, นี้นะครัให้เราได้เห็นแต่ว่าให้โอกาสของเราเนี่ยเราลนะครัลองเป็นบัตรทางแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะแล้วเราจะเห็นความจริงอย่านี้วนะ่าในการเกิดกับเกิดกับของจิตเนี่ยมันเป็นความจริงของชีวิตมนาะแล้วตั้งแต่นี้ไเนี่ยนะเราจะเห็นก็เรียกว่าความชอบความชังที่เกิดขึ้นมามันไม่มีความหมายกับเราเท่าไหร่ ก็อยู่มันกหาเดกมันก็เกิดขึ้นอยนก็ายเด็กนเกิดขนะลองเรยนเติมนะฮะทำบ้า้เดกี่จริงับผู้ใหม่ในการปฏิบัติสิ่งหนึ่ง้า เราเรจับดักในการปฏิบัติไม่ได้การการตั้งใจฟังเพื่อจับประเด็นก็เป็นิที่ที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจดักในการปฏิบัติถ้าเราเราเมืจะปฏิบัติใช่ไหมเหกับคนถ้าไม่รู้ทางนะไม่ได้ดูแผนที่หรือไม่ได้จําคําบอกเล่าของการเดินทางให้ชัดเจนว่าต้องเดินไปทิศไหนเดินอย่างไรนะถ้าเราก็ูจะเดินอย่างเดียวนะ มันก็มีแต่โลงอ่ะใช่ไหมถ้าเรายังไม่หลักในการปฏิบัติแล้วก็มือแต่ทำซึ่งบางทีคนส่วนใหญ่บางทีเขาคิดว่าสมมติปฏิบัติทำก็คือการนั่งนิ่งๆในจิตสงบนี่คือการปฏิบายิแล้นะแต่นั้นก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่มันก็มันได้แค่ระดับสมาธิถ้าเราเข้าใจสิงที่ครูเชิญมาสอนที่มันมันมากกว่าการแค่ทําจิตให้สงบ คือการทําให้จิตมันเกิดความรู้ตัวแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาดังนั้นเราถ้าเราจับหลักได้ของการภาวนาแบบที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ยการมีสติเพื่ออะไรนะมีสตินะเพื่อให้เรานะไม่หลงนะมีสติเพื่อให้เราเห็นตัวเราเองเห็นกายเห็นใจนะมีสติเพื่อให้เห็นความจริงก็ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา สติจะทําที่พัฒนาตัวแบบนี้ถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นะคะที่เหลือก็มีแต่การปฏิบัติทางนั้นอย่างอื่นที่มันจะเกิดขึ้นมาบ้างความง่วงบ้างความคิดบ้างความสงสัยบ้างต่างมันก็เหมือนเป็นทางผ่านเราดู้วสมมติเราถางนี้เราเดินไปทิศ น, นี้ตาแหน่งนี้ที่เหลือเรามีแต่เดินให้สองข้างทางความคิดความเพินต่างๆที่มันจะมา ชวนให้เราพักเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยอิปโปเนี้ยเป็นสี่ที่มันยั่วให้เราพักเราก็จะเดินทางต่อสติจะทําให้เราเดินทางต่อได้นะแต่บางทีก็ธรรมดานะกิเลสมันก็อยากจะดึงอยากจะรั้งเราไว้ความง่วงก็อยากจะรั้งความคิดก็อยากจะลัง้งความเบื่อก็อยากจะดั้ให้ไปนอนให้ไปพักปฏิบัติอันนี้ก็มันก็รั้งบ้างก็ธรรมดานะเราก็ต้อง ทําความเพียนต่อไปหรืออย่างพี่โยมถามว่าบางทีมันก็คิดของมันเองนะมันก็นับมันก็พูดมันก็โต้ตอบของมันเองอันนั้นเราก็ห้ามไม่ได้นะเรารู้ทันมันตอนไหนเราก็วางมาตอนนั้นแหละไอ้ที่มันเถื่อนไปพูดของมันเองแล้วก็ชักของมันก็คือเราไม่เที่ยงตรงจำติดเองว่าไม่น่าพูดเลยไม่น่าคิดเลยนะก็ชักของมันก็รู้ทัวเมื่อไหร่ก็วางอันนั้น คือหลักการปฏิบัติก็คือว่ารู้ทันเะมื่อไหร่ความตรงนั้นเลยนะวามตรงนั้นเลยกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้มันตรงนั้นเลยนะไอ้ที่มันผ่านแล้วรู้ไม่ทันช่างของมันนะหรือว่าไม่ต้องไป็นกองพ้นต่อาไปจะเจออะไรเอาไว้เจอข้างหน้าเจอเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าไปอันนี้คือหลักสองการปฏิบัตินะนี่คือก็ให้เรามีมีหลักตรงนี้ในการปฏิบัติเพราะนั้นถ้าเราทําแบบไหนก็ได้นะ ถ้ามันไอนก็ได้ถ้ามีหลักตรงนี้ก็ใช้ได้รู้กาย้างรู้เวทนาบ้างรู้จิตบ้างรู้ธรรมบ้างไปด้วยนรู้กั็ขอสงาในฐานะคุณผู้หีิงนะเอองถามว่าทำไมบางคนจะ้าจังหวะด้วยระบาดสามทางคือก็เเหมือนกับว่าเราได้กำไรกับอื่นะคุก็ว่าล้วไปสะปิดก็ไ้กีแล้วตัวเองเนี่ยที่ว่า ต้องายงต้องพยามสร้างหว่างเอ่อาทางนะเพราะว่าเทปริมาณนมีสติเราจะฟังเรื่องเราก็สร้างาฟังนี้เรเหมือนเลยเรได้่มอย่างนั้นหลนพยายามเวลาคือตัวเองสาวังนะก็จะเป็นานี้สร้างแต่จังหวะนันอาจารย์ว่าก็มากเพราะมันมีสมาธิสิเรืว่าอย่ที่อาจารย์พูดถึงเพราะว่าที่ใจหอดเรามีสมาธิสู เรา่รู้ไแต่ว่าสมาธิสีนี้เราก็ไม่มีนะคะก็เราเอาความเพียรก่อนนะคะก็เราต้องเพียรแรัก่อนแหลสักหน้าติดในจิตใจของเราสมาธิสวคนที่อยู่ถึวันนี้นะคะก็อยากให้รู้ว่าใคร่วงในงมาธุขามะคะให้กำลังใจอย่างันไม่ที่ใครมาล่วงมีถือว่าสุขามะม่งนะแต่ว่าให้มาอีกทีแล้วก็จะจะได้กันเพราะว่าคนที่ร่วงคนที่ง่วงเขาม่เบื่อมีแรงมาถึงการ คนที่หนีไปเนี่ยมีทางเพราะว่าไปาทีเดียนอยู่ข้างนอกคนที่อยู่กับเรามี่โน่นน่อันนี้เป็นทางที่อาจารย์บอกเียนว่ามีนคือข่าเราท่นพยายามบอกเราเราเก่งนะฮะเราจสู้มันได้ไหมนะมันก็จะนึงเราไปดมันด้เกิดเราอยู่ประสติค่ะอนที่ว่าระสุกสติตลอดเวลามันก็จะทำให้เรามีงตงทางไปมันไม้ถุผลิตเพั้นอยเี้ยใจนะหลายคนอยู่มีมาน้มนิูเรื่องเลยแล้วตรงทาแล้วอ่ะ สุดท้านะคะี่แต่ว่าทำไมนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรอยู่กับาใช้เราอยู่ความเคยชินมเความเคยชินนยีนจะรสึว่ามันไม่ใช่แต oh, re mm ่ว hmm. ่าใช่นะสำหรับเป็นี่นักหนังเดินตามมาแล้วอันจะ้ถูกต้องนะคะอนืเบื่อนะคะแล้วก็ผู้นิ่ารพุกท้าวเลยนะเรามาสป็นค้าเลยนะคะอันให้ความใจทุกคนทำบ้านมีทุกสายนะคะ ก็เลมีคำถามมงีคนที่มีคำถามช่วยคนอื่าช่วยทีกามถอยไเแต่ว่าคำถามเออหมือนด้อยากถามเลยใครเตั้งมาถามอีกถึงกชตั้งาถามย่ะว่าตรงนี้มาถามว่าเป็นยังไงไม่ชอบในอะไรับคระกันนะคะ เคยฟังหลวงพ่อพูฐานโยนะท่านก็บอกว่าการทำสมถะกรรมฐานนี่ก็คือมันจะมีวิโตกิจารกิติขิุแล้วก็เยกัคตาอะไรยานะครับแล้วครัวนี้พอเรามาทำวิปัสสนาบนี้ครับายวามว่าวิตกุจารที่่เราจะไม่เกิดขึ้นใช่มครับเราจะข้ามไปเลย่นีครับ ที่จริก็มีอยู่นะเคยไหมวิตกะวิจารมันมีอยู่จะพิจารณาว่าอาการนั้นเป็นอาการของเรียกว่าปฐมเป็นปฐมฌา น, มนต้องเตือว่าเป็นสมาธิขั้นต้อนอเป็นสมาธิขั้นต้อนอเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งก็ว่าได้แต่การเจริญสติเนะี่ยมันจะเน้นมันจะเน้นสิี่เรียกว่าเป็นปัจจามาสมาธิเป็น มันไม่ใช่เป็นเป็นคณิากระสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณานะมันอาจจะไม่ได้ตั้งแบบแบบต่อเนื่อเป็นขั้นหนึ่งสองสามสี่แบบนั้นแต่มันเป็นเรียกว่าคณิากะสมาธิสมาธิชั่วคราวจิตใจตั้งมั่นชั่วคราวรู้รู้ตัวชั่วคราวแล้วการจะตัดไปมันจะตั้งใหม่ตอนที่เรามีสติแจะนั้นมีคณิากระสมาธิขึ้นมาแต่ตอนที่มันจ ะ, ะเกิดปัญญา มีปัฒนาจริงมันก็จะมีสมาธิพวกนั้นขึ้นมากันมีวิตกมีวิจารณ์มีติฏฐิมีโสมีเอ็เอตคตากิจิตตั้งมั่นจิตเป็นหนินนะมันก็มีเข้มาเยอแต่มันไม่ใช่แบบต้องคือต้องเข้าใจว่ามันมีวิธีการเดินอยู่สองทางหลักๆบางคนเริ่มก็เป็นการทําสมาธิก่อนทำให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วค่อยมาพิจารณากาย ให้เป็นความไม่เที่ยงความไม่ทุกข์ความไม่ใช่มมตัวตนให้มาพิจารณาตรงนั้นจิตค่อยเดินปัญญาต่อแต่ของเราเดินหนึทางเราไม่ต้องเอาจิตให้เป็นสมาธิแบบ mm hmm. เป็นเรียกว่าสมาธิทั้นขั้นที่หนึ่งสองามสี่ขึ้นไปเราเอาแค่ความรู้สุทตัวมีสมาธิเรียกว่าคณิกาสมาธิเกล้ังทีละครั้งทีละครั้งสะสมไปเรื่อกกททยก็ได้เหมือนกันมันเป็นการเดินสองทางแต่ที่จริง สองทางนี้มันก็มีจุดร่วมเหมือนกันถ้าขึ้นนี้พัฒนานะได้เหมือนกันก็จะต่อไปทางเดียวกันมันก็ถูกแบบนั้นนะก็ถูกแบบนั้นเหมือนกันแต่จริงอาการพวกนี้มันก็บางคนก็เป็นถ้าเรายกมือสร้างจิบางคนก็ก็มีสมาธิแบบนั้นได้เหมือนกันแต่แต่หลักจริงๆหลวงพ่อเทียนท่านจะท่านก็เห็นว่าบางคนมักจะติดสมาธิท่านก็พยายามที่จะแบบ อบอกว่าสมาธิพวกนั้นะมันเป็นดอกให้เราติดเราต้องออกมาให้ได้ออกมาให้ได้อืแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมันก็มีแต่เพียงว่าเราจะกลับมาได้ไหมเพราะว่าสมาธิบางทีมันก็มันมีความสุขนะมีความสบายแล้วก็มีความเพลินอยู่ในตัวบางคนก็ไม่อยากออกไปเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์นี่ยทำไมห้ามในเมืองไทยมีคนเดินเยอะมันเย็นสบายนะอยู่นอกถสนมันร้อนอะ่ะใช่ไห ม, มทําไมเซเว่นขายดี เข้าไฟก็เย็นดีจะ ต, ตายนะด้านค้าธรรมาดาร้อนมันก็เป็นแบบนั้นสมาธิมันก็ทําให้เราคนติดเพราะว่ามันสุดมีความสบายแต่ของพวกนี้มันชื่อข่าวสมาธิไม่สามารถทํามันได้นานเพราะว่าพอเรามาเจอลมเจอสิ่งกระทบค่อยเสื่อมสมาธิก็เหมือนเข้ า, าพักๆหนึงแล้วก็ออกชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งวันก็ต้องออกมาแล้วถ้าเราติดใจแล้วก็อยากจะได้อีก ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้แต่ถ้าไม่อยากได้มันมันได้กับมันเองล้าเราไม่ติดมันจะได้บ่อยนมันจะได้บ่อยอแล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้ามีถ้ามีามก็รู้แล้วก็อย่าไปติดมันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราไม่มีทำไมไม่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ หลวงพ่อพูดว่าก็ไม่ต้องสงสัยนะมันอาจจะเดินเดินคนทางตอนนี้นะแต่ก็ไม่ต้องกบงวลว่าทางตอนนี้ก็สามารถให้เกิดปัญญาได้มันมันจะมีจุดร่วมนถ้าเราคุ้มวิปัสสนาได้ ก็ที่จริงนี่พียกมือแบบนี้ก็เอาไปทำในที่ที่ที่มันรู้จักกันในเ็นเตอรที่นี่หรือว่าในวัดที่ปฏิบัติแบบนี้นะบางทีก็มีนัดมีมีคนจีนมาปฏิบัติที่ที่สุกโตนะบางทีพวกนี้เขาก็เขาก็แบบอาจจะไม่รู้สึกเป็นธรรมดาของเขานะ ไปร้านค้าไปซื้ของนะรอเงินทอนแล้วก็ยกมือตั้ง จ, จังะจะกลับเมืองจีนนะนั่งอรอเครื่องบินนะั่งก็ยกมือตั้งจังหวะนะก็น่ารักดีแบบนึ ง, งเขาก็ไม่อายนะเขาไม่เหนื่อยนะแต่คนคนไทยเราก็อาจจะพิจิงทําแบบนี้ก็ได้เยนคลิปมือคลิปมือึองนิว้วแบบนั้นนะหรือว่าลูบามนะี่อ่าก็คือ ทำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าทําแบบนี้ก็อาจจะทําที่นอ น, นรหรือว่าเากกลยจะงกรมที่บ้านเราเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่คนอื่นเขาไม่คุ้นเคยกับวิธี น, นี้เราก็อาจจะทําแบบนี้ก็ได้ถ้าทําแบบนี้โยมนั่งรถเมย์โยมก็ทําได้คนไม่เห็นว่าติดปอติเหรอนะถึงนิ้วก็ได้รถติดเราก็ทําแบบนี้ก็ได้แต่นี่คือถ้าเราจะทําที่เป็นเรียกว่าตั้งใจทํา แต่ถ้าในชีวิตประจําวันของเรามันมีเรื่องที่เราต้องทําอยู่แล้วแบบแปลงฟันนี่คือคือมือเคื่อนไหวกายเคลื่อนไหเราตีข้าวมีกายเคลื่อนไหวอาดน้ําถูสบู่มีกายเคลื่อนไหวเราตามรู้ก็เดินก็เหมือนกันเดินจำกรงมาเดินกลับไปกลับมาเราเดินในวันละหลายกิโลเราก็เดินแล้วก็มีสติรู้ตีละก้าวตีละข้าวตีละข้าว น, นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำไดนะ้ในทุกวันนะแล้วก็ทำได้แต่เชา้าจนเย็นอันนี้สติรู้กายแล้วตอนไหนที่ที่ตอนมีอารมณ์กระทบมีคำพูดมีทา่ามีคำสรรเสริมมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นถ้าเราเห็นใจเราก็ามันชอบมันช่างมันสุขมันทุกข์อันนี้ก็สามารถตามรู้ได้เหมือนกัน อ, อันนี้คือเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันแต่ก็ แต่บางทีก็อย่าประมาทว่าเฮ้มันก็ทําได้เมื่อไหร่ก็ทําได้นะแต่อยากให้คิดแบบนี้ว่าระลึกได้เมื่อไหร่ทำเท่านั้นเลยว่างอะไร น, นะแใ่ที่ใจนั่งคิดก็ว่างอะไรก็ทบบํ า, าทแบบนี้ว่างอะไร่ก็ทําแบบนี้นะหรือไม่ไม่ทํำแบบนี้ก็ว่างอะไรก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสบายๆก็ได้ี่คือระลึกได้เมื่อไหร่อคือระลึกรู้ว่า กายกำลังทำอะไรหรือใจรู้สึกแบบไหนนั่นคือปฏิบัติธรรมคือเดี๋ยวนิดนึงนะอย่าติดแค่รูปแบบอันนี้คือรูปแบบเราทำตอนที่มีโอกาสทำก็ทำแต่รูปแบบจริงก็คือเพื่ อ, อนไหว รู pa, à, ้ตัวใจไหลไปรเ้ตัอนี่คือหัวใจหวัดอาจารย์ค่นหน้าตาค่ะแต่ก็สงสัยอยู่เรื่อยครีนร่งก็บอกว่ก็ถามอาจารย์ปีที่สุดจะไปถามด้วยอก็ขอห้ไปถามอาจารย์นะคะที่อาจารย์อบายว่าถ้าเราคิดไปแล้วเรารู้แต่ไม่เราฟว่าไม่ใช่ตัวานนี่ ก็สงสัยว่าปล่อยวางยังไงมันได้ขึ้นได้หรอคือคือเคยปฏิบัติแล้วรู้ว่าถ้าเราคิดออกไปแล้วเราโคลงช่างไปอรก็ได้ไปมันจะเป็นสร่งิให้กลับมารู้สึกตัวมันก็จะสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราไปเองไปมันก็มัก็จะอยู่แต่างครัมันอาจจะไม่สนิทไม่ถูก้องไม่ถูกองไม่ถก็้อไมถ้องกต้องไม่ถกตอไม่กตไ่ตอม่นูตอ่กต้องไม่ถอ่ก้อง่กองไมตง่อไม่ต้องงต่ก คือบางทีมันจะโดนความคิดบางอย่างมาล่อยเราคิดเต่อเช่นหาเหตุผลให้ทําไมเราถึงคิดเรื่องนี้ทําไมเราถึงามเรื่องนี้ใช่ไหมเวลาฝันเราตื่นเช้าตื่นมาตื่นมาสงสัยทาไมเราฝันอย่างนี้เรืงจริงมันไม่ต้องมาเหตุผลประมาณเลยใช่ไห ม, มคิดก็เหมือนกันรักชังก็เหมือนกันคือเราไม่เอาเหตุเพื่อผมกับมันรู้แล้วก็กลับมารู้แบบนี้ก็ได้ ที่จริงพอมันรู้สึกตัวจริงๆนะมันจะวางของันเองอหะไม่ได้ตั้งใจวางนะในการตั้งใจวางเนี่ยมันมันยังเจอได้เจอได้ปัญหาเนี่ยนะคือมีความรปบผชอบมีความตั้งใจแต่ถ้าสติเกิดขึ้นจริงมันรู้แล้วมันมันวางของันเองเหมือนคล้ายๆเราไปจับของร้อนนี่ยไม่ต่างว่าวางนะปล่อยนะเมื่อปล่อยของมันเองถ้าสติเกิดขึ้นจริงมันจะเห็น คิดนะมันมันจะวางเอแต่ถ้าแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดแบบนี้จริงๆนะบางครั้งมันคิดแต่มันก็ยังคิดอยู่แต่ครงนี้เราก็ต้องตั้งใจจะมารู้กายเชลื่อไหวก็มีแล้วก็ทาแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าสถิเกิดจริงจะวางเองแสดงว่าจะเป็นเหมือนไม่แข็งรงานการลดงวาก็อารู้สึกตัวจริงๆนก็เรื่อการเคลื่อนไหวเนี่ประจัที่ตัวก็มันไปแวางอ่าใช่บางทีก็ คือมันก็ไม่ได้ขีดดอกแต่เว่ามันก็อยู่ในข้างที่กำลังพัฒนาเนานะไม่ได้เสียหาย ไม่ใช่การรักษา่กติดต่อครักษ สงบเพอิใจงเรามีความต้ามั่นคงล้ก็ใจที่ตั้งั่นแต่ที่นคงแต่ที่มีความสแต่ความสดัีตสักิที่มีรู้กไปดีหรือไม่รู้สึกไปดีที่ชอบไปดี อยอ่ที่คำพูดนิรภัยศรัทติที่มีวกวามนงบมีกามกลมกลงนี้ามให้กับตนให้กับสัตว์ให้กบสิ่งที่เราไม่เห็ น, นเป็นคาพัฒนาที่จะให้เขาไม่มีความสุขที่ออกว่าเราจเตรียมด้วยความุความกว ตาเอตาตาตาตา